ควทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางหน้านปิจใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งในตรัสสะรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือจงกาหนดอนาภาภาตัตตาสติแล้วจึงได้เบาพระไยลเยียกว่าเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันรูพระไถลที่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 ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจของเราตอนนั้นล่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตะเกียวตะกายความป่าความฝืนความทรมานตนเองเพื่อแก้ที่เลืจะหมดไป น, นี่ก็เหลือตั้งแต่กองทุกซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายนี้มันก็เห็นมีพิษมีสงอ่อสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเต็นดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กา ก, ากเมืองคือขันห้าใน แ, แต่ร่างกายอา้าวต่ไปเมื่อไหร่ก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับ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 มันน nice, nice. ี้การแยายาทำเพราะเห็นความเกลียดอันนี้รู้สึกใหน่อย